สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็สมาทานศีลแล้วตอนนี้ไปเพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจคําแนะนําในพระกรรมฐานสี่สิบเพราะว่ามาหาสตรีประธานได้แนะนํามันแล้ว สำหรับวันนี้จะแนะนําทั้งด้านในด้านพุทธานุสติกรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานและสังขานุสติกรมฐานควบกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็จะขอแนะนําเฉพาะในด้านสมถะภาวนาในวันพรุ่งนี้ในกรรมฐานสามรายการนี้จะแนะนําในด้านมิปัสนาภาวนาการจเจริญพุทธานุสติกรมฐาน ธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานทันน้งสามประการถ้ามีอารมณ์ตั้งมั่นจริงๆก็เชื่อว่าเราได้ผลไปแล้วห้าสิบเปอร์เซนตในฐานะที่จะส่งความเป็นประโสดาบันนี <c oughs> น่สำหรับการจริญดิวยปกรรมฐานนี้ตามแบบปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไว้มาก เช่นให้พยายามตัดอุปกิเลสอารมณ์ที่เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งสองตัดนิวรณ์อย่างหนึ่งสามให้มีพรมีหารอย่างหนึ่งแล้วก็สี่ตัดกังวลแล้วก็ห้าจะต้องสนใจกับยริษนี่เป็นเรื่องของแบบแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียว ถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งเส็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งหมดแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายได้โปรดอย่าพึงคิดว่าผมจะเข้าไปคัยค้านคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงไม่มีอารมณ์ในการตั้งใจในการคายค้านแต่พูดกันตามผลเพราะว่าการใช้อารมณ์ตามนั้น ก็เพื่อเยผลกำลังใจมีความเข้มแข็งนั่นเองแต่ด้ว่าถ้าเราตัดสินใจเสเองใช้กำลังเข้มแข็งเสจริงๆเมื่อจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิวรณ์ที่ไหนไม่เข้ามายุ่งใจจริตใดๆก็ไม่ต้องมีความสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตทรงตัวเส็จแล้ว <c oughs> นี่เราก็หวนไปดูคําสอนข อ, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรดาพระสมทั้งหลายที่ได้มรลุมาตรผลความจริงตามพระสูตรตา่ตางๆองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านพวกนั้นสอนตรงเฉพาะจุดไม่ได้สอนอะไรมากมายอย่างกับสอนอบรรดาท่าภาษาดีบทก็ดีพระโมคคันลานะก็ดีถ้าก็สอนเฉพาะจุด <c oughs> เออย่างที่พระริวัตท่นรับฟังคำสอนจากพระทั้งหลายที่สอนท่านก็สอนตัดกำลังขันห้าเป็นสำคัญแล้วก็ท่านไปใช้อารมณ์นั้นโดยเฉพาะท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่ความจรงิงความรู้ต่างๆที่ท่านสอนมาก็เผื่อว่าเราจะมีความอ่อนในอารมณ์ของจิต ถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งเสียจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากตัวอย่างอย่างที่ผมบอกทํามาแล้วในสมัยตั้งแต่เป็นเด็กผมไม่ได้รู้อะไรเลยในเรื่องรอบๆเป็นเพียงตั้งใจตรงโดยเฉพาะเจงนั้นในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานในด้านสมถะภาวนา ก็มีวิธีทำอยู่สองอย่างคือหนึ่งตามแบบปฏิบัติทั่ ว, วไปให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสาคัญมากและก็ยังไม่ต้องใช้ความคิดยังไม่ต้องใช้ปัญญาใช้อารมณ์ทรงตัวเฉยๆอย่างท่านที่ท่านสอนว่าจงภาวนาว่าพุธโธ อย่าลืมนะว่าพุทธานุสตินี่ไม่มีอานาปานุสติบวกถ้าเราตั้งใจจะภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตมันอยู่แค่พุทโธอย่างเดียวอย่าให้ไปถึงธรรมโมโดยให้ไปถึงสังโฆเพราะเราตั้งใจว่าเฉพาะพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นตามสบายอย่าไปเร่งอย่าไปรัดอย่าไป ว่าเร็วเร็วหรือช้าเกินไปเร็วเกินไปให้จิตมันเหนื่อยให้จิตมันกังลทำแบบสบา ย, บายพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ใจมัเรื่อยไปจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ทำได้ทั้งสีิทิาบทให้จิตมันจับอยู่ในคำว่าพุทโธอย่างเดียวหรือว่าเราตั้งใจจะเจริญธรรมานุสติก ร, รมธาน นี่เปนการคุมกําลังใจนะก็ภรวานาว่าธรรมโอหรือว่าตั้งใจจะเจริญสังขานุสติกรรมฐานก็นึกในใจว่าสังโฆถ้าขณะใดจิตยังอยู่ในคําว่าพุทธโธก็ดีธรรมโมกอก็ดีสังโฆก็ดีตามที่เราต้องการก็ขณะ น, นั้นก็เชื่อว่าจิตของท่านมีสมาธิอารมณ์จิตมารมตัวใช่ได้ ตอนนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาทั้งสามอย่างจะได้ไหมสมมติท่านจะถามผมก็ตอบว่าได้ภาวนาไปเลยพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆว่าเรื่อยไปไม่ต้องออกเสียงนึกในใจเป็นสำคัญนี่เป็นการควบคุมกําลังจิตให้ทรงตัวขณะใ ด, ดที่เราอย่างภรวนาว่ายังไงก็ตาม ขณะนั้นถ้าอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งกับจิตขณะนั้นชื่อว่าจิตของเราทรงสมาธิในรุปสติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสามอย่างตามที่เราต้องการอันนี้เป็นผล น, นหนึ่งที่เรามีความประสงค์ต้องการให้จิตทรงตัวและการที่จิตทรงตัวอย่างนี้สามารถทรงได้ตามอารมณ์จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ หรือว่ากําลังคุยกับเพื่อนอยู่กําลังทํางานอยู่จิตก็ทรงอยู่ในคําพุโทโธหรือว่าธรรมโมรหรือสังโฆหรือว่าทั้งสามอย่างก็ชื่อว่าจิตของท่านมีอารมณ์เป็นฌานคําว่าฌานแปลว่าเพ่งคําว่าเพ่งก็แปละวะันึกไว้ <c oughs> จิตนึกไว้จิตคุมอารมณ์ไว้เพียงเท่านี้เป็นการคุมจิต นการภาวนาว่าพุโทโธธรมโมสังโฆนี้ถ้าจะพูดกันตามแบบจริงๆที่พระพุทธเจ้าสมประสงค์ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าถูกเข้าไปส่วนหนึ่งคือสามารถควบคุมอารมใจไม่ให้กิดสับกระจ า, ายไปสู่อารมณ์อื่นนี่มีความสําคัญมากต้องพยายามทำเมื่อสามารถควบคุมอารมอย่างนี้ได้ทรงตัวตามสมควรก็ใช้อารมณ์คิด เพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจา้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเคารพนับถือนะั้นท่านดีแบบไหนพระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีพระสงฆ์ที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ปัญญา ก็ก็หมายความว่ายัางเจริญอยู่ในนุสติทั้งสามรายการนั่นเองยังไม่ใช่วิปัสนาญาณ <c oughs> <c oughs> เราก็มาคลําความดีของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านดีตรงไหนทําไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจา้าอันดับแรกเราก็มองไปดูประวัติของพระพุทธเจ้าเสีก่อน ว่าความจริงเดิมทีนี่พระพุทธเจ้าเป็นลูกของไขรเป็นลูกของยาจกเข็นใจที่ไม่มีอะไรจะกินและก็มาบวชเพื่ออาศัยเลี้ยงชีวิตจากการชาวบ้านสงเคราะห์ในการให้ข้าวให้น้ำอย่างนั้นหรอือหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรประวัติความจริงของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นลูกชายของพระมาหาการัตร ในเวลานั้นที่ก่อนจะออกบวชก็ทรงเป็นกษัตริย์แทนพระราชวิดาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์และท่านออกบวชทำไมกษัตริย์มีเงินทอง ม, มากมีอำนาจวาสนาบารมีมากก็ใครคนไปดูตามประวัติของพระองระองที่ออกบวชไม่เ่หวังความเป็นพู้เลิศ แต่ว่าต้องการจะหนีวัฏสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายที่มีรู้จักสิ้นสุดที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ต้องการจะหนีแต่การจะหนีทุกแบบนั้นถ้าอยู่ในฐานะเป็นคารวาสเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศศิดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะหนีออกบท บวดแล้วก็ทรงทรมายกกายไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเข้าหลายสำนักตลอดจนตั้งออกมาบำเพ็ญได้ตนเองตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทธเจ้า ว, ว่าไม่ได้บวชเพราะหวังให้ชาวบ้านเลี้ยงท่านท่านบวชเพื่อหวังการสงเคราะห์ชาวบ้านต่อมาแล้วก็คิดต่อไป ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเป็นพระพุทธพระพุทธเจ้านั้นทำยังไงถึงได้เป็นพระพุทธเจา้าการทรมานตัวตามแบบรพรามพระองค์ไม่ได้สาเร็จมาผลมาตอนหลังเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลตัดสินพระไถยว่าต้องใช้กำลังใจเป็นสำคัญวันนั้นมีญาคาาปกรรมเสื่มพรามถวาย วางไว้ที่ต้นภายต้นโคนต้นอัลสฟิกฟโภใบ <c oughs> นั่งหันหลังเพียงต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้สาเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้แม้แต่เลือดระเนื้อจะแท้งไปก็ตามทีชีวิตตินรีจะตายก็ช่าง ถ้าผลที่เราไม่พึงหวังจะพึงได้ยังไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่กำลังใจขององค์สมเด็จพระจินทรสีในข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจงจำแล้วต้องปฏิบัติตามว่าจะทำกรรมฐานกองใดก็ตามให้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ว่ามันตายก็เชิญตายถ้ามันไม่ได้ตายเสียดีกว่า ถ้าจิตลงตัดกำลังใจแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากองไหนแล้วได้หมดแล้วได้ไม่ช้านันหลังจากนั้นมามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมรุอริเษกสัมมาสัมพุทยานได้มรรคผลแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วเวลาจะเทศโปิดใครไม่ได้เคยคิดถึงเครื่องกัน ใครจะถวายไม่ถวายไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเทศหมดเทศโปรดเพลเป็นการสงเคราะห์ให้เขามีความสุขกันจริงๆอันนี้ตอนหนึ่งเป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรจะน้อมใจเข้าไปเคารพในท่านใ น, นราการดีสองธรรมะที่องค์สมเด็จพระทรงทันทรงสอนก็สอนเพืษษ่อบํำบัดทุกบำรุงสุข ไม่ได้สอนเพื่อการเบียดเบียนซึ่งอะไรกันสอนให้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนซึ่งอะไรกันถ้าใครปฏิบัติตามท่านคนนั้นก็มีความสุขท่านโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามท่านได้จริงๆโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขประมวลความสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อแล้วมีสมอย่าง 1. ทรงสอนให้ละความชั่วทั้งหมด 2. เวื่ละความชั่วแล้วให้ประพฤติความดีทุกอย่าง 3. ทำจิตใจให้ผ่องใสาจากอำนาจของกิเลสแสมได้การคือโลภโทสะโมหะอารมณ์จิตจะบริสุทธิ์ถ้าคนทุกคนตามทำแบบท่านทั้งหมดตว่าทุกคนไม่ทำความชั่วทุกคนทำแต่วความดีโลกนี้จะเป็นสุข้วยเป็นทุกข์ และทุกคนมีแตุ่มแจ่มใสไม่มีอารมขุ่นมัวไม่ตั้งท่าพิฆาตเค่งข่าขาหากันทุกคนมีแต่น้ำใจชื่นบานคนทั้งหมดในโลกจะมีความสุขและความทุกข์เราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนมีความสุขไม่เลือกชั้นวรณนะไม่เลือกฐานนะไม่เลือกความรู้ไม่เลือกแต่กล อันนี้จัดว่าเป็นความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สำหรับพระธรรมคำสัสอนพระพุทธเจ้าดีตรงไหนนะคำสอนเป็นพระธรรมอย่างที่เต็มบอกว่าจงละความชั่วเสียทั้งหมดความชั่วนะ่ะมันมีหลายอย่างเอากันอย่างย่อ อย่างย่อยๆที่เราพอจะคิดเห็นได้ง่ายๆอย่างสินห้าประการท่านบอกว่าผู้ท่านนั้นหลายจงอย่าพี่ฆ่าเค็งฆ่าสิ่งอะไรกันจงอย่าทำร้ายสิ่งอะไรกันจงมีจิตเมตตาปราณีมีความรักสิ่งอะไรกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างไม่เป็นไม่ทำร้ายสิ่งกัไรกัน ลองพิจารณาดูคําสอนตรงนี้สิว่าดีหรือชั่วคนทุกคนยิ am, ้มแย้มแจ่มใสก็หากันเป็นมิตรเป็นที่รักสนิทเช่งกันเลยกันแล้วลคําสอนแบบนี้ดีหรือว่าชั่วคนรักกันไม่ฆ่ากันไม่ทําร้ายกันทุกคนก็มีความสุขนี่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าส อ, สอนสอนและสอนนิยะตุลซะด้วย ข้อที่สองตัวเธอทั้งหลายจงจะยื้อแย่งทรัพย์สิสนซึ่งกันและกันอย่าลักอยักขโมยทรัพย์สินกันทรัพย์ของใครก็ไม่เป็นของคนนั้นทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมก็ลองนั่งนึกดูที่ว่าคำสอนตรงนี้ดีหรือไม่ดี เป็นปัจจัยของความสุขหรือ ว, ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ไม่ต้องระวังรักษาทรัพย์สินนี่ตนหามันได้หามันได้ท่าไรบ้านช่องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์กองไว่ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนรักไม่มีคนขโมยโลกจะมีความสุขหรือ ว, ว่าโลกจะมีความทุกข์ทุกข์ว่ามีความทุกข์ไดับเตีสามุกยายื้อแย่งคนรักสิ่งอะไรกัน คนที่เรารักเราไม่มีใครเขาอยากให้เขาแย่งกันถ้าเราต่างคนต่างเคารพในสิทธิอย่างนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วท่านนันหลายจงอย่าพูดวาจาโมดเทศมันเป็นเครื่องสะเทือนใจทําลายประโยชน์จงอย่าพูดคำอยากเป็นเครื่องทําลายใจให้ไม่สบายจะสอ่อเสียดยุยงสองเสริมให้เขาแตกกัน อย่าพูดวาจาสำรากที่เรียกว่าวาจาเพื่อเจอให้เป็นเครื่องเสะเทือนใจทุกคนจงมีแต่วาจาจริงมีวาจาอ่อนหวานนละมีกล่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์สร้างความสดชื่นให้แก่บุคคลได้สนับทีวาจาที่ไพเราะถ้าทุกคนทาได้อย่างนี้ทั้งหมดอารมณ์ใจของคนในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุก ก็สุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไายบอกน้ำเมานะเธอกินเข้าไปแล้วไม่ขาดสติสัมปชัญญะมันทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บทำลายเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทำลายทรัพย์สินร่างกายจะเประกอบปฏิโรคายเธอจงเว้นเสียเน้นา้ำเมาสามารถจะสร้างความชั่วได้ทุกอย่างถ้าทุกคนไม่ดื่มน้าเมาทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะนําเมาวันลกิ่บาท ถ้าวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งก็สามร้อยหิบห้าบาทถ้าวันละสิบาทปีก็สามพันหก้อยห้าสิบาทมันน้อยอยู่นักเลยแล้วเรื่องร้ายทางหลายมันก็ยมเกิดขึ้นจากคนเมานี่ถ้าคนทั้งโลกไม่เมาเสียจริงๆโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราจะเห็นได้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนย่อแล้วน้อยเลดนิดเดียวเพียงเท่านี้ข้อตน ทิอสมเด็จพระทศพลเรียกว่าพระธรรมเป็นปัจจัยนาความสุขให้เกิดกับเราถ้าเราปฏิบัติได้นี่เป็นความดีของพระธรรมโดยย่อสำหรับความดีของพระสงฆ์นี่เรามานั่งคิดหนาะความดีให้พบว่าพระสงฆ์น่ดีตรงไหนเขาว่าพระสงฆ์นี่เป็นมานสังคม ทำลายความสุขของชาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมีกินมีใช้ประสงค์ก็มาแย่งไปกินไปใช้หมดแต่เนื้อแทจ้จริงๆว่ากันให้ตรงว่าสาวพระคุโองสมเด็จพระบรมสุคตเอากันที่เป็นพระอารียาเจ้าสำหรับที่เป็นปุถุชนผมยังไม่รับรองเอากันที่เป็นพระอรียเจ้าว่าท่านดีตรงไหน เราก็ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันปีที่องค์สมเด็จพระจินดสีสมปรินิพานแล้วถ้าหากว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนในคราวนั้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทุกท่านไม่รวบรวมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินาวร์ไว้คำสอนประเภทนี้จะตกทอดมาถึงเราได้ยังไง อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่พยายามรวบรวมความคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาเจ้าไว้เพื่อพวกเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อรวบรวมขึ้นแล้วท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขยายเคกันไปแบ่งทางกันไปองค์พวกนี้ไปทางนี้พวกโน้นไปทวงโน้นพวกนั้นไปทางนั้น ช่วยกันนำอวตธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงู์ทันไปแจกจ่ายแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆ代代代ทั้งหมดทำใดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตส่งสอนมาแล้วท่านปฏิบัติ ด, ด้วยได้ได้ผลดีก็นำอวตธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนาสีมาสอนเรา พระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นที่ชื่นใจข้าบุคคลได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความดีของพระสงฆ์นี่เราพูดเพงพระอริยสงฆ์นะพระอริยนะน่ะถ้าไม่มีไอโล ก, กีวิสัยที่ทําลายจิตใจข้าบุคคลให้มีความทุกข์เจ้าเปรียบประชาชนอันนี้ไม่มีในพระอริยเจ้ามีอย่างเดียวตั้งใจทรงพระประชาชน แล้วดีไม่ดีประชาชนก็ใช้พระเกินพอดีเหมือนกันพระมีหน้าที่ประหมัดทุกบำรุงสุขให้แก่บรรดาแทนพุทธบริษัททางใจหมายความวันแนะนำให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้ า, ท, ท, ท, ร ท, าทรงสั่งลสอนมาแต่ได้ว่าชาวบ้านบางทีก็ใช้เกินไป อยู่อยู่ก็บอกหลวงพ่อลดตะมณี่เถอะมาสมบายเอาพระสงค์ก็ลดให้ตามใจเขาเพื่อเป็นการสร้างความสุขใจให้เกิดดีไม่ดีก็หลวงพ่อในของหายช่วยดูให้เถอะเอาหลวงพ่อก็ทํานี่หลวงพ่อชั้นดีนะแต่หลวงพ่อชั้นเร็วก็ถามแทำแทําสนองสน่หให้โดยเสร็จยันนี้ไม่ใช้เอาหลวงพ่อชันดีดีไม่ดีก็ลากหลวงพ่อไปที่นนทลากหลวงพ่อไปที่นี่หลวงพ่อก็ไป ให้ดีไปนั่นเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งราคาให้เขาจะให้เงินให้ทองหรือเปล่าไม่ได้ตกลงราคากันไปเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรไปเพื่อรักษากําลังใจของบรรดาแตงพุทธบริษัทให้มีความสุขแล้วนําเอามาาทํคําสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาสอนให้โดยไม่คิดมึงค่าใดๆ เพื่อจะต้องการให้มันดาประชาชนนั้นหลายมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าต้องการ น, นี่เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่บรรดาในบริษัททุกท่านที่จะ เ, เจริญในอนุปสติทั้งสามรายการคือทําได้สองอย่างคือปักอารมณ์ทรงอารมณ์ให้สมโตได้แก่ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆ แ้่ตอนนี้จิตยังไม่ซึ่งพอถ้าจจซึ่งพอก็ต้องน้อมนึกไปถึงความดีของพระพุทธเจ้าทุกด้านที่พูดนี้มาเป็นส่วนน้อยเป็นตัวอย่างนึกถึงความดีถึงมาทรคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของบรรดาประสงค์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยความเสียสละตั้งใจให้โลกมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าสรงสั่งสอนไว้ พยายามใครคนไปด้วอนัดปัญญาหาตามความเป็นจริงอย่าสร้างภาพพิเศษขึ้นมามันจะเกินความจริงจะทำลายศรัทธาหาจุดในพบจุดที่อย่าพึงหาก็คือพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์ยังไม่ใช่พระอริยเจ้ารับฟังก็ได้ไม่กันแต่ไม่แน่นัก ต้องเอาพระอริยเจ้าเป็นสำคัญสร้างความดีให้เกิดขึ้นสร้างสไตเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาจิตใจขมันดาท่านหลายก็จะจับจับมั่นอยู่ในคุณพระรัต น, นตรัยทั้งสามประการเพิ่มมีความเคารพด้วยความจริงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสงค์ก็ชื่อว่าท่านมั่นคงในตรสรนาคมทั้งสามประการ เพียงเท่านี้ก็เป็นปัจจัย 50% ในผลที่ได้บรรลุประสงดาปฏิผลและก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าทำจิตเข้าถึงอาณาตตผลในเบื้องหน้าอรบรนดาธรรมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาโดยเวลาก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้